เรื่องเล่าผีหลอนตอนหลวงปู่แหวนสุจินโนสอนเปรตแม่น้ำโขงหลวงปู่แหวนสุจินโนท่านเป็นพระเกจิชื่อดังแห่งวัดดอยแม่ปังอำเภอรพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ในสมัยที่ท่านยังเดินทางจาริกทุ ด, ดงไปยังสถานที่ต่างๆนั้น มีอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อตอนที่หลวงปู่แหวนสุจินโนท่านบวชได้ไม่กี่พรรษาและมีวาสนาถวายตัวเป็นสิทธิ์ของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตท่านได้รับคำสั่งสอนแนะนำในข้อธรรมต่างๆอย่างกระจ่างแจง้งทำการเจริญภาวนากระทำความเพียรก้าวหน้าไปอีกหลายระดับ เป็นกำลังใจให้เกิดความวิริยะมานะที่จะสะบั้นสายใยแห่งกิเลสจนกว่าจะหมดสิ้นในภพชาตินี้ขณะที่หลวงปู่แหวนทานจำพรรษาอยู่กับพระอาจารย์มั่นที่บ้านนาหมีนายุงอำเภอนามสมจังหวัดอุดรธานีท่านพระอาจารย์มั่นได้บอกเล่าให้ฟังว่า ใกล้ฝั่งแม่น้ำโขงมีถ้ำอยู่ถ้ำหนึ่งที่ถ้ำนั้นมีเปรตตนหนึ่งสิงสู่อยู่ไม่ยอมไปไหนหากหลวงปู่แหวนไปบำเพ็ญเพียรที่ใดนั้นก็ให้ถามเปรตดูสิว่าชาติก่อนกระทำกรรมอะไรไว้ถึงได้มาเกิดเป็นเปรตการที่พระอาจารย์มั่นกล่าวเช่นนี้ อาจจะมีเจตนาต้องการให้สิทธิผู้อ่อนพรรษาได้เรียนรู้สภาวธรรมด้วยการสัมผัสตามความเป็นจริงโดยตัวเองก็ได้เมื่อหลวงปู่แวนน้อมรับคำบอกเล่าเช่นนั้นท่านจึงเดินทางไปที่ถ้ำดังกล่าวเพียงรูปเดียวณที่รมนี้เป็นสถานที่ร่มรื่นสงบสงดัดเหมาะสมที่จะเจเริญภาวนาอย่างยิ่ง ภายในถ้ำสะอาดสะอา้านด้านนอกปากถ้ำเป็นพื้นที่เรียบพอที่จะใช้เป็นทางเดินจงกรมได้ครั้นถึงเวลาเย็นเมื่อทําวัดสวดมนต์แล้วท่านก็เข้าที่ภาวนาภายในถ้ำได้รับผลตามประสงค์ไม่มีอุปสรรคตราบกระทั่งเช้าวันรุ่งขึ้นคืนแรกผ่านไปด้วยดีคืนที่สอง ไม่มีสิ่งผิดปกติกระทั่งคืนที่สามีมรูปเงาของเปรตปรากฏขึ้นโดยแสดงกายมืดดำและมีความสูงใหญ่หน้าพรั่นพรึงยืนปักหลักขวางหน้าถ้ำหลวงปู่แหวนเห็นเปรตแล้วก็มิได้วาดวันแต่ประการใดเพียงแต่แผ่เมตตาให้ด้วยจิตกุศลเต็มเปี่ยม ปรารถนาจะให้พลังแห่งความเมตตาผ่อนคลายความทุกข์ึ่งซุมรุมเปรตตนดังกล่าวอยู่จากนั้นก็กำหนดจิตถามเปรตไปว่าชาติก่อนเคยทำกรรมอะไรไว้ถึงได้มาเป็นเปรตเปรตตนนั้นเงียบเฉยไม่ตอบอะไรและอันตรทานหายไปหลายคืนต่อมาก็ปรากฏว่า เปรตตนเดิมได้มาแสดงร่างร้ายให้หลวงปู่แหวนเห็นทุกคืนในลักษณะคืนแรกคือมายืนตรงานเงียบงันด้วยร่างอันสูงใหญ่ทะมึนดำประหนึ่งต้องการข่มขวัญให้พระธุดงค์กรรมฐานเกิดความกลัวทว่าหลวงปู่แหวนมีจิตที่มั่นคงแน่วแน่อยู่ในธรรมฉะนั้นท่านจึงตัดขาดไปจากความพรั่นพรึงทั้งปวงหมดสิน้น กระทั่งคืนหนึ่งเปรตมาปรากฏร่างให้หลวงปู่แหวนเห็นอีกเมื่อท่านแผ่เมตตาให้แล้วกำหนดจิตสอบถามเช่นครั้งก่อนๆคราวนี้เปรตยอมพูดติดต่อด้วยโดยเล่าให้หลวงปู่แหวนฟังว่าชาติก่อนเมื่อเป็นมนุษย์เพศชายตนเป็นนักเลงไก่ชนลุ่มหลงในการชนไก่ ซึ่งมีเดิมพันมาใช้จ่ายอย่างสำราญคราวใดไก่ชนของตนพ่ายแพ้เสียเงินเดิมพันไปตนก็จะถูกโทสะครอบงำจัดการฆ่าไก่ชนตัวที่แพ้และหากไก่ชนตัวใดสู่จนได้รับบาดเจ็บหนักหรือพิการตนก็จะฆ่าเอามากินหมดเช่นกันได้กระทำชั่วเช่นนี้เป็นอาจินตั้งแต่สมัยหนุ่มยันแก ครันอายุมากก็ล้มป่วยมีอาการเจ็บปวดแสนสาหัสจนสิ้นใจตายแล้วก็ยังต้องไปรับกรรมในนรกเป็นเวลานา น, านจนประมาณมิได้ครันพ้นจากนรกจึงมาผุดเป็นเปรตหลวงปู่แหวนจึงถามว่าเหตุใดไม่ไปผุดไปเกิดเสียทีทำไมต้องมาเป็นเปรตเฝ้าทาเฝ้าป่า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 ตนก็จะกระทําให้เจ็บไข้ได้ป่วยชาวบ้านจึงกลัวตนมากหลวงปู่แวนได้เทศนาชี้ทางให้เปรตละจากที่อยู่อาศัยนี้ไปเสียเถิดเพราะถ้าจิตหลุดจากความยึดมั่นถือมั่นได้เมื่อใดตนเองก็จะมีโอกาสไปเกิดใหม่ตามกระแสกรรมของตนมิเช่นนั้น ก็ต้องจอมจมอยู่กับถ้ำแห่งนี้เพราะความยึดมั่นยึดเหนี่ยวชุดรังไว้และถ้าสิงอยู่ในถ้ำแห่งนี้ด้วยความหวงแหนสถานที่คอยหวาดระแวงว่าจะมีผู้อื่นมาแย่งถ้ำนี้ไปเปรตยอมแสดงตัวให้ผู้พบเห็นหวาดกลัวเพื่อให้หนีไปเสียหากมีพระทุดงรูปอื่นจะริกผ่านมา เปรตแสดงตัวเจตนาขับไล่เช่นที่เคยทำมาพระธุดงมีจิตเข้มแข็งและมีสติมั่นคงย่อมไม่เกิดผลร้ายอะไรแต่หากพระธุดงจิตไม่แก่กล้าหวาดกลัวจนไร้สติย่อมเป็นผลให้เสียจริตอาจถึงมรณาภาพบาปเวรก็จะตกแกเ่เปรตกลายเป็นอกุศลกรรม ถมทับซับซ้อนจนไม่อาจพบกับทางสว่างได้อีกเปรตรับฟังด้วยความสงบแต่ยังไม่สามารถกระทำตามคำเทศนาของหลวงปู่แหวนได้ท่านเห็นว่าเปรตรตนนี้ยังมีมิจฉาทิฐิมั่นคงท่านก็ต้องวางตนอยู่ในอุเบกขาเมื่อจเจริญภาวนาครบกำหนดตามที่ได้กำหนดเจตนาเอาไว้แล้วหลวงปู่แหวน จึงจาริกกลับมากราบเรียนถวายรายงานต่อท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตณบ้านนาหมีนายุงซึ่งท่านพระอาจารย์มั่นก็ไม่ได้กล่าวว่ากะไรภายหลังเมื่อพระอาจารย์มั่นมีโอกาสผ่านได้เมตตาโปรดเปรตตนนั้นและเปรตตนนั้นก็หลุดพ้นไปจากถ้ำได้ในที่สุดเรื่องราวทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้ครับ